ตลอดไปท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกศมทุกท่านวันนี้เป็นวันเสารที่24ธันวาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านเจ้รลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเสริมความเป็นสิริมงคล ได้แก่ชีวิตของท่านด้วยการมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนำมาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วความเป็นสิริมงคลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาว่าความเป็นมงคลของชีวิตนี้อยู่ที่การปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าในมงคลสูตรที่มีวิธีสร้างความเป็นสิริมงคล38ประการด้วยกันเริ่มต้นที่หนึ่งอัสวนาจะบาลานังสองบันติตานันจะเซวนาสปูชาจะปูชนียานังเอตํมมังกลมมตัมมังนะข้อที่หนึ่ง ให้เลิกคบคนพาลสองให้คบบัณฑิตสให้บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งข้อที่หนึ่งไม่ให้คบคนพาลคนพาลแปลว่าคนโง่คนที่ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้บุคคลไม่รู้ตน ไม่รู้สังคมไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ประมาณนี่คือบุคคลที่โง่ถึงแม้ว่าจะเรียนจบปริญญาเอกมาแต่ถ้าไม่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ความรู้พอประมาณ ถ้าไม่รู้สิ่งเหล่านี้การประพฤติการปฏิบัติการกระทำของตนก็จะนํามาแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียความเสียหายต่างๆแต่ถ้าได้รู้จักมงคลรู้จักวิธีที่จะดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักของบัณฑิตคือรู้เจ็ดประการนี้ ชีวิตจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเราจึงอยากคบกับคนโง่คนที่ไม่รู้เหตุรู้ผลให้เราครบกับคนฉลาดคนฉลาดก็คือคนที่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณ บุคคนที่รู้เรื่องราวเหล่านี้ดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกเราจึงต้องเข้ามาที่วัดกันเพื่อที่เราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพบกับพระอาาริยสงสาวกผู้ที่มีความรู้ความฉลาดที่จะสามารถสอนให้พวกเรา นั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเสื่อมเสียความเสียหายต่างๆเพราะความสุขความทุกข์ก็ดีความเจริญความเสื่อมเสียก็ดีไม่ได้เกิดจากใครแต่เกิดจากการประพฤติการกระทาของเหล่านี้เองเราจึงต้องประพฤติให้ดีประพฤติให้ถูก วิธีจะประพฤติให้ดีประพฤติให้ถูกเราต้องรู้จักเหตุที่จะทำให้เราประพฤติถ้าเราไม่รู้เหตุเราก็อาจประพฤติในทางที่ไม่ถูกไม่ดีแล้วนาความเสียหายมาให้กับเราเราจึงต้องรู้เหตุรู้ผลเหตุกับผลนี้เป็นของคู่กันถ้ามีเหตุแล้วก็จะมีผลตามมา ถ้าไม่มีเหตุก็จะไม่มีผลตามมาผลก็คืออะไรก็คือความสุขความเจริญความสุขความสบายความปราศจากความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายใจตา่างๆผลเหล่านี้เกิดจากเหตุคือการกระทำของเราเหตุมีอะไรบ้างก็การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจ เมื่อเราทำแล้วก็จะมีผลตามมาเช่นถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีความสุขความเจริญก็จะตามมาถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีความทุกข์ความเสียหายก็จะตามมานี่คือเหตุและผลที่พวกเราควรที่จะให้ความสำคัญกัน ถ้าเรายังคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็ต้องมาเปลี่ยนให้คิดดีพูดดีทำดีคิดไม่ดีก็คือคิดที่จะทำร้ายผู้อื่นคิดเช่นเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการฆ่าสัตว์ด้วยการลักทรัพย์ด้วยการประพฤติผิดตรเวณีด้วยการพูดปดด้วยการดื่มสุรายาเมาหรือคิดเพื่อทำร้ายตัวเราเอง ด้วยการกระทาที่เสียหายก็คือการดื่มสุรายามาการเล่นการทานันการเที่ยวกลางคืนการคบคนไม่ดีเป็นมิตรการมีความเกลียดครางการกระทาเหล่านี้เป็นการกระทาที่จะนาความเสียหายมาให้กับตัวเราเองและจะนำไปสู่การกระทาที่เสียหายต่อผู้อื่นต่อไป นี่คือความคิดไม่ดีเราอย่าไปคิดอยา่าถ้าเราไม่คิดแล้วเราก็จะไม่พูดเราก็จะไม่ทาเพราะความคิดนี้เป็นผู้สั่งการให้เราพูดให้เราทาอะไรต่างๆถ้าเราคิดดีเราก็จะพูดดีทำดีถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีาการที่เราจะคิดดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ ว่าเราได้คบกับบัณฑิตหรือคบกับคนพาลคบกับคนจลาหรือคบกับคนง่ถ้าคบกับคนจร า, รร า, า, รจราเขาก็จะสอนให้เราคิดดีไม่ให้เราไปคิดดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิตรมีความเกลียดคร้านแล้วก็คิดไม่ทำบา คิดไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดโกโหกหลอกลวงถ้าเราได้โค บ, บัณฑิตคนฉลาดเขาจะสอนเราเรื่องราวเหล่านี้อย่ากระทําสิ่งเหล่านี้อย่าคิดอย่าดํารติอยา่อยาริแม้แต่คิดก็ไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วต้องเลิกคิดทันทีเพราะถ้าเราไม่เลิกคิดเดี๋ยวมันก็จะชวนเราไปทําในสิ่งที่เราคิด พอเราคิดไม่ดีเราหยุดมันถ้าหยุดไม่ได้เราก็ใช้พุทธโธมาช่วยใช้พระพุทธเจ้ามาช่วยแล้วเลิกถึงพระพุทธเจา้าท่องพุทธโธพุทธโธพุทโธไปภายในใจเดี <S <S ๋ยวเราก็จะเลืมเรื่องที่เราคิดไม่ดีได้ <S <S แล้วเราก็จะได้ไม่ไปพูดไม่ดีไม่ไปทำไม่ดี <S <S แล้วเวลาที่เราคิดดีก็รีบทำเลยเช่นคิดว่าจะมาทำบุญวันนี้ ก็มาเลยอย่าไปาเปลี่ยนใจพอตื่นเช้าขึ้นมานอนเมื่อคืนนี้นอนเด็กนอนไม่พออยากจะนอนต่อก็ต้องล้มเลิกความคิดที่จะมาแต่ถ้าเราบอกว่าถ้าคิดแล้วต้องมาทำบุญจะง่วงนอนหรืออะไรก็จะพยายามตะเกียกตะกายผักดัน ให้เราทำตามความคิดให้ได้เพราะความคิดที่ดีจะนำไปสู่การพูดที่ดีการกระทาที่ดีจะนำไปสู่ความสุขความเจริญดังนั้นเราต้องพยายามมองถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการคิดการพูดการกระทาของเราถ้าคิดดีพูดดีทำดีจะมีแต่ผลดีตามมาถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี จะมีแต่ผนเสียหายตามมาให้ถือหลักเหตุผลไว้นี่คือบัณฑิตถ้าเราไปหาบัณฑิตเช่นพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกท่านจะสอนให้เรารู้จักเหตุรู้จักผลนี่คือสิ่งที่เราควรจะศึกษาควรจะรู้กันเมื่อเรารู้แล้วว่าผลต่างๆที่เราต้องการเกิดจากเหตุ คือการกระทาของเราเองไม่ได้เกิดจากใครเราจะได้ไม่ต้องไปฝันไปหวังพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้เราอยากได้อะไรเราทำของเราไปเดี๋ยวเราก็ได้ถ้าเราไม่มัวหวังพึ่งคนอื่นเดี๋ยวเวลาเขาตายไปเราก็พึ่งเขาไม่ได้เช่นเราพึ่งพ่อแม่ตอนเด็กๆ เ, เราพึ่งตัวเราเองไม่ได้เราก็ต้องพึ่งพ่อแม่ไปก่อนแต่พอเราโตแล้ว เราควรคิดที่จะพึ่งตัวเราเองอย่าไปพึ่งพ่อแม่เพราะพ่อแม่ก็จะแก่ลงไปแล้วท่านก็จะไม่มีกําลังวังชาที่จะหาเงินหาทองมาให้เราใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราโตแล้วพึ่งตัวเองได้ทําอะไรเองได้แล้วก็ต้องพึ่งตนเองด้วยการคิดดีพูดดีทดําดีคิดดีทําอย่างไร ก็คิดไปหาเงินหาทองด้วยวิธีที่สุดเจริญอยากขอเงินพ่อขอเงินแม่เรียนนังสือจบแล้วมีวิชาความรู้แล้วไปสมัครงานกันอย่าขี้เกียจความเกียดความเกียจข้านี้ไม่ได้นาไปสู่ความเจริญแต่จะนำไปสู่ความหายนณะเพราะจะไม่มีรายได้เข้ามาคนขี้เกียจนี้จะไม่สามารถหาเงินหาทองได้ ต้องเป็นคนขยันเมื่อขยันแล้วก็จะสามารถหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆที่เราต้องการมาได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งไข่เราสามารถพึ่งตัวเราเองได้การพึ่งคนเองนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนบางทีเขาก็ให้เราพึ่งบางทีเขาก็ไม่ให้เราพึ่งเวลาเขาไม่ให้พึ่งเราจะเดือดร้อน และเราอาจจะต้องไปทำอะไรที่เสียหายเพราะถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะทำาหากินโดยวิธีสุดจริตได้เราก็จะไปทำโดยวิธีไม่สุดจริตเพราะมันหาง่ายหาเร็วหาได้มากแต่โทษมันตามมาเราไม่คิดกันอาจจะต้องไปติดคุกติดตารางอาจจะต้องถูกจับประหารชีวิต ลืมตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายของเหล่านี้เราไม่คิดกันเพราะเราไม่มีเราไม่รู้เหตุรู้ผลนั่นเองถ้าเรารู้เหตุรู้ผลว่าทําบาปแล้วนี่มีแต่จะต้องไปมีมีโทษตามมาไปติดคุกติดตารางตายไปก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกถ้ารู้ผลจะตามมาจากการกระทําบาป ไม่มีใครกล้าจะทําบาป ก, กันที่กล้าทํากันก็เพราะว่าไม่เชื่อว่ามีผลตามมาเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นเป็นผู้ไปรับผลนั่นเองก็เห็นมีแต่ร่างกายที่เป็นตัวเราของเราพอร่างกายตายไปแล้วเขาก็เอาไปเผากลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วใครจะไปรับผลของบุญหรือบาปที่เราทํากัน ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเนี่ยที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นคนคิดเองคิดดีคิดชั่ว เ, เราเป็นคนคิดเมื่อคิดแล้วเราก็ไปพูดไปทำพอไปพูดไปทำแล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามมาอันนี้แหละคนนี้คือตัวเรานี่ ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวเรานี้แหละเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วทำไมถึงมีเดลฉานมาเกิดให้เราเห็นทำไมไม่มีแต่มนุษย์ทำไมมีมนุษย์ที่ไม่เท่ากันบางคนก็รวยกว่าบางคนก็จนกว่าบางคนก็สวยกว่าบางคนก็มีรูปร่างหน้าตา ที่ดีกว่ามีอาการส2สองที่ครบถ้วนบริบูบางคนก็พี่กลนพิกายอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทาของเราทั้งนั้นเกิดจากการคิดถ้าคิดดีพูดดีทำดีผลก็จะดีทั้งในปัจจุบันและในอนาคตถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผลไม่ดีก็จะเกิดตามมา ขอให้เราดูความแตกต่างของพวกเราที่เรามีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันในเรื่องราวต่างๆก็เพราะว่าในอดีตเราคิดเราพูดเราทำมามีทั้งดีไม่ดีต่างกันนั่นเองจึงทำให้เรามีอะไรเป็นอะไรต่างกันในปัจจุบันนี้ในอนาคตคือพพหน้าชาติหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดดีพูดดีทาดี กว่าที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ถ้าหน้าเรากลับมาเราก็จะดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้นี่คือเรื่องของเหตุของผลถ้าเรารู้แล้วว่าผลต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรานี้เกิดจากเหตุคือการกระทาของเราเองเราก็ต้องมาควบคุมเหตุคือการกระทาของเราให้คิดดีพูดดีทำดี แล้วผลที่ดีต่างๆก็จะตามมาเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ท่านก็คิดดีพูดดีทำดีจึงทำให้ท่านได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้พวกเราถ้าคิดดีพูดดีทำดีต่อไปแล้วก็อาจจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้อาจจะเป็นพระสาวกก็ได้เพราะผลมันเป็นเป็นของที่เกิดจากเหตุถ้าใครมีเหตุผลมันก็จะเกิดขึ้น มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นใครพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่แหละเคยเป็นอะไรมามากมายเป็นทั้งคนจนเป็นคนทั้งเป็นทั้งคนรวยเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนไม่ดีปนกันไปปนกันมาแต่หลังจากที่ได้รู้ว่าเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นอะไรต่างกันก็เลยทาให้พระพุทธเจ้าพยายามควบคุม ตัวของท่านให้คิดดีพูดดีทดําดีไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ทําให้ท่านได้ไปถึงจุดสูงสุดของการพัฒนาชีวิตคือได้ไปเป็นพาาาระอรหันต์ได้เป็นพระพุทธเจ้าพาาาระอรหันต์สัสสะมาสัมพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พบกับความสุขความเจริญที่สูงสุดคือพระนิพพานนี่คือสิ่งที่ เหตุที่พวกเราทํากันอยู่ในวันนี้จะเป็นตัวที่ชี้บอกว่าเราจะไปสูงหรือไปต่ำไปไปดีหรือไปไม่ดีดังนั้นขอให้เรามาสร้างเหตุที่ดีคิดดีพูดดีทดําดีแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลําดับคิดทําบุญคิดรักษาศีลคิดภาวนาอันนี้แหละจะเป็นตัวที่จะผลักดัน ให้เราขึ้นไปถึงสุดจุดสูงสุดได้ไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับการคิดทาบุญคิดรักษาศีลคิดภาวนาพอคิดแล้วชีวิตของเราจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าไปลําดับถ้ายังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะรวยกว่าเก่ า, กาสวยกว่าเก่าถ้าไม่ไ ม, ม่เป็นมนุษย์ก็ได้ไปเป็นเทวดาได้ไปเป็นพร แล้วก็ได้ไปเป็นพระอริยะเจ้าตามลาดับต่อไปนี่คือผลที่จะตามมาจากการที่เราได้คบบัณฑิตเราได้รู้จักเหตุของของความของผลที่เราต้องการก็คือความสุขความเจริญต่างๆเรารู้จักเหตุของสิ่งที่เราไม่ต้องการคือความทุกข์ความเสียหายต่างๆเราก็ละเว้นการกระทาที่เสียหาย แล้วสิ่งที่เสียหายก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราถ้าเราไม่ไปทำผิดกฎหมายตำรวจเขาจะมาจับเราเข้าคุกเข้าตารางได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ไปค้ายาบ้าค้ายาเสพติดเขาจะมาจับเราเข้าคุกเข้าตารางหรือเปล่าเขาไม่จับหรอกเพราะเราไม่ได้ทำผิดนั่นเองแต่ถ้าเราทำผิดนี่เดี๋ยวเขาก็ต้องจับเราเข้าคุกเข้าตารางไปนี่คือหลักของเหตุและผล ขอให้เราคิดอะไรทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลอย่าทำด้วยอารมณ์เพราะอารมณ์นี้มันจะทำให้เรามองไม่เห็นผลที่แท้จริงที่จะตามมาเช่นอยากจะได้เงินเร็วๆก็เลยคิดว่าไปค้ายาเสพติดจะได้เงินง่ายๆเร็วๆแต่ไม่รู้ว่าได้เงินมาก็จริงแต่ถ้าพลาดไปโดนตำรวจจับเงินทองที่ได้มาก็ถูกลิบไป เรายังต้องไปติดคุกติดตาลอีนี่คือการคิดด้วยอารมณ์คนที่คิดทำคิดไม่ดีนี่ส่วนใหญ่คิดมาจากอารมณ์เวลาโลภหรือเวลาโกรธนี้จะหักห้ามจิตใจไม่ได้เวลาโกรธก็อยากจะทำร้ายผู้อื่นโดยไม่คิดว่าทำร้ายเขาแล้วอะไรจะตามมาต่อไปไปทำร้ายเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาทำร้ายเราทำร้ายกันไปทาร้ายกันมาเดี๋ยวก็ฆ่ากันตาย ถ้ากันตายแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปติดคุกติดตารางหรือไปถูกประหารชีวิตแล้วตายไปยังต้องไปมีเวรมีกรรมกันต่อเกิดพบหน้าเช่าหน้าเจอกันที่ไหนก็จะโกรธกันเกลียดกันทำร้ายกันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือการคิดไม่ดีการคิดไม่ดีเพราะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ไม่ดีได้ก็คือ ความโลภความโกรธต่างๆเราจึงต้องมาศึกษาวิธีควบคุมอารมณ์สิ่งที่จะควบคุมอารมณ์ของพวกเราได้ก็คือสติเราต้องมาฝึกสร้างสติกันสติเป็นเหมือนเบรกเบรกที่จะหยุดความโลภหยุดความโกรธได้หยุดความหลงได้วิธีสร้างสติก็ง่ายๆให้ระลึกถึงพุทโธพุทโธทไปได้เรื่อยตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปเลย จะไปทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุโทโธพุธโทโธไปเช่นไปลางหน้าแปลงฟันอาบน้าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารยังไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากก็พุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาคิดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบคิดถึงคนที่เราไม่ชอบก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาความไม่พอใจขึ้นมา คิดถึงสิ่งที่เราชอบก็เกิดความโลภอยากได้ขึ้นมาอันนี้ถ้าเราไม่คิดแล้วความโลภความโกรธต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาพอไม่เกิดเราก็จะได้ไม่ต้องไปคิดร้ายคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้พอเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็จะเกิดโทษตามมาต่อไป งนั้นสิ่งที่เราควรที่จะฝึกทํากันบ่อยๆก็คือสร้างสติกันเจริญสติกันด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยคด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปภายในใจอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดถ้าจะคิดก็ให้คิดด้วยเหตุด้วยผลเช่นวันนี้เราต้องทําอะไรก็คิดไป เสร็จแล้วเราก็ไปทําตามสิ่งที่เราต้องกระทํากันถ้าอยไปทําในสิ่งที่ไม่ดีก็หยุดอย่าไปทํามันทําแต่สิ่งที่ดีแล้วชีวิตของเรานี้จะไม่มีปัญหาจะไม่มีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆถ้าเกิดโลภอยากได้อะไรถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะซื้อมาได้ก็อย่าไปซื้อเก็บเงินเก็บทองไว้ก่อน แล้วพอมีเงินทองพอก็ค่อยไปซื้อและจะซื้อก็ต้องซื้อของที่จําเป็นจริงๆอย่าซื้อของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จําเป็นเพราะจะทําให้เราเสียนิสัยจะอยากซื้อของอยู่เรื่อยๆแล้วจะทําให้เงินฝืดเงินไม่พอใช้สาเหตุที่เงินฝืดนี้ไม่ใช่เพราะว่าเรามีเงินน้อยหรอกเพราะเราใช้มากเกินไปถ้าเราใช้น้อยๆเราจะเงินจะไม่ฝืด จะมีเงินเหลือใช้วิธีที่จะใช้เงินน้อยๆก็ต้องใช้ด้วยเหตุด้วยผลเช่นซื้อของที่จำเป็นจริงๆของที่เราต้องมีถึงถ้าไม่มีแล้วเราจะทุกข์หรือเราจะตายไปอย่างนี้ก็ต้องซื้อมาเช่นอาหารเราต้องซื้อมาทุกวันเพราะถ้าเราขาดอาหารขาดน้ำเดี๋ยวเราก็ตายได้แต่ถ้าเสื้อเสื้อผ้าอย่างนี้ ถ้าเรามีหลายชุดมีพอใส่แล้วซื้อมาก็ซื้อมาหรือไม่ซื้อมาก็เหมือนกันคือร่างกายไม่เดือดร้อนก็อย่าซื้อมาดีกว่าเก็บเงินเก็บทองเอาไว้สำหรับซื้อของที่จำเป็นเพราะในอนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะหาเงินได้ทุกวันหรือเปล่าเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราอาจจะตกงานรายได้ที่เราเคยได้ก็จะหายไป ถ้าไม่มีเงินสำรองไว้เราก็จะเดือดรอ้อนและเราก็อาจจะต้องไปทำบาปไปทำสิ่งที่เสียหายตามมาก็ได้นี่คือวิธีที่เราจะคิดให้ดีพูดให้ดีทำให้ดีเราต้องรู้จักควบคุมความคิดของเราความคิดที่ไม่ดีเราต้องหยุดมันความคิดที่ดีเราก็ส่งเสริมมัน แล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปเรื่อยๆไม่มีความทุกข์ความเสียหายต่างๆตามมานี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาบัณฑิตท่านจะสอนให้เราคิดดีพูดดีทำดีด้วยการใช้เหตุใช้ผลว่าถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะมีแต่ ความเสียหายมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจตามมาแต่ถ้าคิดดีพูดดีทำดีก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตามมาอยงนั้นขอให้พวกเราจงใช้เหตุใช้ผลกันการจะใช้เหตุใช้ผลได้ต้องมีสติต้องคอยควบคุมอารมณ์ที่ไม่ดีเพราะถ้าเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันจะไม่ใช้เหตุใช้ผล มันจะใช้อารมณ์เช่นพอเห็นของอยากได้ก็อยากซื้อมาทันทีถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดแล้วหยุดคิดสัหน่อยถามตัวเองว่าจาเป็นที่จะต้องซื้อมาหรือไม่เงินทองนี้เป็นของหายากซื้อแล้วมันหมดไปของที่ได้มาเวลาต้องการจะเปลี่ยนเป็นเงินทอง<ๆ>ก็เปลี่ยนได้นิดเดียวซื้อมาร้อยหนึ่งเวลาขายขายได้แค่สิบบาท สู้เก็บเงินร้อยบาทไว้ไม่ดีกว่าหรือถ้าของที่เราอยากได้มันไม่เป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นอย่าต้องซื้อมานี่คือให้ใช้เหตุผลอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะมีเงินทองเหลือใช้เราจะร่ำจะรวยกันที่เรายากจนกันก็เพราะว่าเราไม่รู้จักใช้เงินใช้ทองไม่รู้จักเก็บเงินเก็บทองกันพออยากได้อะไรเห็นอะไรก็ซื้อมาเลย ซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็เห็นของใหม่ก็อยากอีกก็ซื้อไปในที่สุดเงินก็ไม่มีเหลืออยู่ดังนั้นขอให้เรามาใช้เหตุใช้ผลกันใช้สติกันก่อนที่จะคิดจะพูดจะทำอะไรให้มีสติดูก่อนว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรกำลังจะพูดอะไรกำลังจะทำอะไรถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราอย่าไปทำมัน แล้วผลคือความเสียหายต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าคิดดีพูดดีทำดีก็ทำไปเลยแล้วผลที่ดีก็จะตามมานี่คือเรื่องของการเข้าหาบัณฑิตเพื่อที่เราจะได้รู้เหตุรู้ผลรู้ว่าสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและผลที่เราต้องการนั้น เราจะต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะไดส้สิ่งที่เราปรารถนากันก็คือความเป็นสิริมงคลของชีวิตคือมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากความทุกข์ความเสียหายต่างๆจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเข้าหาบัณฑิตคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่จะได้ศึกษาเรื่องของเหตุที่จะทำให้ชีวิตของเรา มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากความทุกข์ความเสียหายต่างๆถ้าเราได้รู้แล้วว่าเหตุคืออะไรแล้วนำเอานาเอาไปปฏิบัติผลที่เราปรารถนาก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญในวันนี้ให้ท่านได้นำอาไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุข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 โดยทั่วหน้ากันเธอน